อึดอัดอ่าเนี้ยเป็นธรรมดาพอมันแน่นมันอึดอัดเนี่ยธรรมดาของคนเราพอมันมันมีอย่างงี้ยมันก็ต้องหาทางออกก็ต้องคลายออกมาบ้างเช่นบางทีเรานั่งสร้างจังหวะเนี่ยเราตั้งใจเพ่งมากๆเนี่ยเราก็มองออกไปโลง่งๆนะมองออกไปท้องฟ้าให้มันโลง่งๆปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างเพราะเราไปเพ่งเข้าข้างใน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 ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ต้องมีลูกเล่นบ้างลูกเล่นที่จะช่วยตัวเราเองอย่าไปพึ่งครูบาอาจารย์ท่านไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตัวเราลองผิดลองถูกมันแน่นทำให้มันโล่งหรื อ, อย่างเวลา ง, ง่วงสังเกตเวลาง่วงเนี่ยมักจะเป็นเวลานั่งแล้วเราทําช้ายกช้าเราทาเร็วเ็วดูนะทาเร็วเ็วดู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 หลงแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่สติเนะี่ยเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยแล้วทํารู้บ้างหลงบ้างบางคนตั้งใจจะให้รู้ตลอดเลยมันผิดธรรมชาติแล้วรู้บ้างหลงบ้าง น, นี่ก็คือมันจะเป็นธรรมชาติมันจะเกิดการสมดุลขึ้นมาบางทีทําไปแล้วมันมึนหัวโดวยเฉพาะบางทีมึนหัวนี่มันเกิดได้สองอย่างคืออันหนึ่งก็คือเราเพ่งเข้าไปข้างใน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 เอากันจริงๆเอากันเต็มที่ทนะีนี้ความพอเหมาะพอดีเนี่ยพอเราทำเพ่งมากๆมันจะถอยออกมาแล้วมันก็จะหาความพอดีของมันเองอย่าไปถามว่าความพอดีอยู่ตรงไหนไปถามอาจารย์บอกไม่ได้คนระับเราต้องสังเกตตัวเราเองทำช้ามันง่วงก็เร็วทำเร็วมันฟุ้งซ่านก็ทำช้าอันนี้มันมันต้องปรับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรา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 จริงๆ ร, รู้ว่าเกิดที่ไหนเนี่ยจริงๆก็คือเราย้อนไปถึงอดีตของเราเนี่ยความคิดของเราอะ่ะคิดไปถึงเมื่อวานคิดไปถึงวันก่อนคิดไปถึงเรื่องอดีตนั่นแหะถ้าเราสังเกต ด, ดูตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้อ๋อความคิดที่เราคิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้จุดแนะ้วใช่ไหมพอรู้จุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้จักการปล่อยการวางได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตจะสรู้เนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าเออรู้ตรงนั้นก็คือต้อง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 ให้เราตรวจสอบมเมื่อเมื่อตอนเย็นวันนี้มีมีโยมคนหนึ่งมามาถามมาคุยบอกว่าตอนที่ฟังท่านอาจารย์งศิลวันนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่พอไปปฏิบัติแล้วสัมผัสกับอารมณ์มมณมมณนั้นสภาวะนั้นอ๋อเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเนียฟังจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราฟังไปแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เป็นไรฟังเอาไว้แล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันสัมผัสสภาวะนั้นมันก็อ๋อขึ้นมา เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลว่าเ อ, อฟังไม่รู้เรื่องตัวก้าพผมเนี่ยตมากก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันประสบาการณ์นี้เหมือนกันแต่เราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําเรื่อยๆไยตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจเข้าใจรู้ในเรื่องเหล่านี้ความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราเองอยู่แล้วแต่ต้องอาศัยการกระทําบ่อยๆ โดยเฉพาะการทําความรู้สึกตัว เ, เป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเข้าไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้จากประสบาการณ์ของตัวเองที่ได้รู้ได้รู้มาบ้างแต่ยังไม่ถึงที่สุดแล้วก็เห็นว่าทางนี้วิธีการนี้เป็นวิธีการที่รัดสั้นตรงแล้วก็สมบูรณ์แบบมาก สมัยก่อนเราไปอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยจะต้องมีโพธิ ป, ปักจะธรรมส7บเจดเริ่มจากสติเริ่มโอ้โหเยอะทำไ ม, มเยอะแยะจังเลยแต่พอมาเรียนรู้วิธีนี้บอกสติความรู้สึกตัวอันเดียวแล้วมันจะไปพ่วงธรรมะอย่างอื่นมาเองมันมาเองเลยเพราะนั้นจริงว่าเป็นวิธีการที่กระทัดรัดแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรมากคาว่าไม่ทาอะไรมากคือใช้เครื่องมืออันเดียวเนี้ย